2. ราธาสังยุตหนึ่งปฐมวัหมวดที่หนึ่งหนึ่งมาลสูตรว่า ด, ด้วยมารร6 0หกสิเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราธ า, าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่ามานมานด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนาพระองค์จึงตรัสว่ามานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าทาระเมื่อมีรูปจึงมีมานมีผู้ทำให้ตายหรือมีผู้ตาย เพราะฉะนั้นเธอจงเห็นรูปว่าเป็นมารเป็นผู้ทำให้ตายเป็นผู้ตายเป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศรเป็นของลำบากเป็นเหตุเกิดแห่งของลำบากบุคคลเหล่าใดเห็นรูปนั้นอย่างนี้บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าย่อมเห็นชอบเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญา เมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณจึงมีมารมีผู้ทำให้ตายหรือมีผู้ตายเพราะฉะนั้นเธอจงเห็นวิญญาณว่าเป็นมารเป็นผู้ทำให้ตายเป็นผู้ตายเป็นโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นของลำบากเป็นเหตุเกิดแห่งของลำบาก บุคคลเหล่าใดเห็นวิญญาณนั้นอย่างนี้บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าย่อมเห็นชอบก็ความเห็นชอบมีประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าค่าราธะความเห็นชอบมีประโยชน์ทําให้เบื่อนายก็ความเบื่อหน่ายมีประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าข่าความเบื่อหน่ายมีประโยชน์ทําให้คลายกําหนัดก็คลายกำหนัดมีประโยชน์อย่างไร พระพุทธเจ้าข่าความคลายกำหนัดมีประโยชน์ทำให้หลุดพ้นก็ความหลุดพ้นมีประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าข่าความหลุดพ้นมีประโยชน์ทำให้นิพพานก็นิพพานเล่ามีประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าข่าราธะเธอถามมากเกินไปแล้วเธอไม่อาจกำหนดขอบเขตของปัญหาได้ พระกุลบุตรย่อมอยู่ประพฤติประมาจันที่ยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายมีนิพพานเป็นที่สุดมาลสูตรที่หนึ่งจบ 2. สัตตสูตรว่าด้วยสัตว์ร้อหสอสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์สัตว์ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนาะ พระองค์จึงตรัสว่าสัตว์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะบุคคลผู้ค้องติดอยู่ในความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในรูปเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าสัตว์ในเวทนาในสัญญาในสังขารบุคคลผู้ค้องติดอยู่ในความพอใจ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 ไม่ปราศจากความทยานอยากในเรือนฝุ่นเหล่านั้นอยู่เพียงใดพวกเขาก็อาลัยอยากเล่นห่วงแหนยึดถือเรือนฝุ่นทั้งหลายอยู่เพียงนั้นแต่เมื่อใดพวกเด็กชายหรือเด็กหญิงเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อน ปราสจากความทยานอยากในเรือนฝุ่นเหล่านั้นเมื่อนั้นพวกเขายอ่อมรื้อยื้อแยง่งทำลายทำเรือนฝุ่นนั้นให้แล่นไม่ได้ด้วยมือและเทา้าแม้ฉันใดแม้เธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันจงรือ้อแยกกระจายออกทำรูปให้ยินดีไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัญหา เธอทั <kiem> ้งหลายจงรื้อแยกกระจายออกทำเวทนาให้ยินดีไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัญหาสัญญาเธอทั้งหลายจงรื้อแยกกระจายออกทำสังขารให้ยินดีไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสิ้นตัญหาเธอทั้งหลายจงรื้อแยกกระจายออกทำวิญญาณให้ยินดีไม่ได้ ปฏิบัตเพื่อความสิ้นตัญหากราะทะก็ความสิ้นตัญหาจัดเป็นนิพพานสัตสูตรที่สองจบสามภาวะเนติสูตรว่าด้วยกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพร้อยหกสิบสอง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 สีปริญญาญสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้ร้อยหกสิบสามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าราธะเราจักแสดงธรรมที่ควรกำหนดรู้ ความกำหนดรู้และบุคคลผู้กำหนดรู้เธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระราธารับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าราธะทมที่ควรกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือรูปเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เวทนาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้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 เป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าบุคคลผู้ควรกำหนดรู้นั้นคือพระอรหันต์ได้แก่มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้กำหนดรู้ปริญญายสูตรที่สี่จบหสมณสูตร ว่าด้วยสมณะ164หเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระราธะผู้นั่งหน้าที่สมควรดังนี้ว่าราธะอุปทานขันห้าประการนี้อุปทานขันห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปอุปทานขันอุปทานขันคือรูปสอง เวทนอุปทานขันอุปทานขันคือเวทนาสสัญญูปาทานขันอุปทานขันคือสัญญาสสังขารูปทานขันอุปทานขันคือสังขารห้าวิญญาณูปทานขันอุปทานขันคือวิญญาณ ก็มีสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปทานขัน5ประการ น, นี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นก็ไม่ได้รับยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่ได้รับยกย่องว่าเป็นพราหม์ในหมู่พราหม์อันหนึ่งท่านเหล่านั้นจะทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหม ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ราธะส่วนสมณะหรือพราหม์เหล่าได้เหล่าหนึ่งรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปทานอันารห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นก็ได้รับยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือได้รับยกย่องว่าเป็นพราหม์ในหมู่พราหม์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 สี่สังขารูปธานขันห้าวิญญาณูปทานขันราธะก็สมณะหรือพรามเหล่าได้เหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงก็จะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ ทุติยสมณสูตรที่หจบเจ็ดโสตาปันสูตรว่าด้วยพระโสดาบันร6 6เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระราทาผู้นั่งณที่สมควรดังนี้ว่าราธาอุปทานขันห้าประการนี้ อุปทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปโปทานอคันห้วิญญาณุปทานอคันเพราะเหตุที่อริยสาวกผู้รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงราธะนี้เราเรียกว่า อริยสาวกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพสในวันข้างหน้าโสตาปณสูตรที่เจ็จบ 8. อาอรหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันต์ร67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 ความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นราทะนี้เราเรียกว่าเป็นภิกษุอรหันตะกีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนตามลำดับแล้ว สิ้นภาวะสังโยช์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอรหันตสูตรที่8ดจบเก้าชันทราค่าสูตรว่าด้วยความพอใจและความกำหนัดร6 8เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระราธะผู้นั่งนัทที่สมควรดังนี้ว่าราธะเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในรูปเมื่อเป็นเช่นนี้รูปนั้นจะเป็นอันเธอละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว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 เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ในสัญญาเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในสังขารเมื่อเป็นเช่นนี้สังขารเหล่านั้นก็จะเป็นอันเธอละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคน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 เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ชันนราคาสูตรที่เก้าจบสิบทุติยัชันตราคาสูต ร, ตต ร, าาตรว่าด้วยความพอใจและความกำนัดสูตรที่สองร้อยหกสิบเก้า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 ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ทุติยัชันตราค่าสูตรที่สิบจบปฐมวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งมาล ส, 2. สูตรสองสัตตสูตร 3. ภาวะเนติสูตร 4. ปริ ญ, ญญาสูตร 5. สมณสูตร 6. ทุติยสมณสูตร 7. โสตาปนาสูตร 8. อรหันตสูตร 9. กฉันทราคาสูตร 10. ทุติยฉันทราคาสูตร